มาช่วยโลกแต่ว่าวันนี้อยาขอพูดสั้นสหน่อยว่าต้องการให้จบในข้อที่ว่าพระองค์สมเด็จโสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําว่าจงอย่าท่านทั้งหลายจงไม่ประมาทไม่ทําทั้งหลายคําว่าทําก็คือความดีถ้าเราไม่ประมาทก็หมายความว่าเราปฏิบัติอยู่ในความดีตลอด ตั้งแต่ต้นจนกรทังมาถึงตามที่กล่าวแล้วนั้นเป็นความดีทั้งหมดถ้าคนทุกคนเชื่อองค์สมเด็จพระบรมสุขคตและปฏิบัติตามในโลกโลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์ในข้อต่อไปท่านกล่าวว่าความเคารพหนึ่งความไม่จองห้องหนึ่ง ความยินดีด้วยของอันมีอยู่หนึ่งความมุขอุปการะอันท่านกระทำแล้วแก่ตนหนึ่งอย่ามีคนมีจแกบุคคลทางหลายต่อการเคารพคารวะสิ่งอะไรกันไม่ได้หมายถึงว่าความเกรงกลัวสิ่งอะไรกันเมื่อเราเคารพท่านท่านก็เคารพเราสร้างความประทับใจในความรัก อย่างนี้ก็ความรู้สึกของเราเป็นสำคัญถ้าไปในที่ใดก็ตามถ้าใครเขายกมือไหว้สแสดงการนอบน้อมกับเราเราจะมีความรู้สึกเป็นยังไงว่าไม่จองหองก็หมายความว่าถ่าบุคคลผูใ้ใดทั้งเกื้อกูลกับเราเรายอมรับแล้วก็เห็นใจขั้นสนองท่านยอมรับนับถือในความดีของท่านอีบริการหนึ่ง ยินดีด้วยของที่ตนมีอยู่หมายความว่าเราไม่พยายามลักไม่พยายามขโมยไม่ทำลายทำลายความสุขของคนอื่นคนอื่นในเข้าของเรามีอย่างไรพอใจอย่างนั้นท่านี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนขี้เกียจ คือว่ายินดีในของที่เรามีความสามารถจะสร้างขึ้นมาได้เองโดยชอบธรรมถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามกฎข้อบังคับข้อมูลคณนะตอบถูกต้องตามประเพณีนิยมไม่ไปยื้อแย้งไม่ไปคดโกงบุคคลอื่นแล้วความเป็นผู้มีอุปการะอันท่านทำแล้วแก่ตนหมายความว่าบุคคลใดท่านมีความดีสําหรับเรา เมื่อเปรียวกาศที่เราจะอุปการะท่านได้แล้วก็อุปการะท่านเป็นนว่าทุกคนในโลกไม่ต้องเลือกเฉพาะพ่อเฉพาะแม่แต่างคนต่างทำความดีสนองซึ่งกันและกันถ้าทำได้อย่างนี้ทุกคนในโลกโลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์ได้เห็นว่าพระพุทธศาสนาช่วยคนในโลกแล้วหรือยัง ข้อต่อไปท่านบอกว่าฟังธรรมโดยการหมายความว่าการฟังธรรมก็คือฟังคำแนะนำในได้ของความดีธรรมะเนี่ยก็แปลว่าความดีในบุคคลใดที่มีการระชมกันบ้างมีการอบรมกันบ้างการแนะนำกันบ้างการส่งสงแสกันบ้างในได้ของความดีเราพยายามฟังความดีไว้เสมอเสมอ จดจำไม่ว่าใครเขาพูดว่าอย่างไรเป็นความดีจำไว้จำทีละน้อยละน้อยละน้อยมันก็ซึมเข้าไปในใจเองเมื่อการฟังความดีไว้เป็นปกติไอ้ความดีมันก็ฝังใจเมือ่อความดีฝังใจการกระทาก็ทำดีพูดก็พูดดี ทั้งนี้เพราะอะไรว่าการทำก็ดีการพูดก็ดีมันมาจากใจใจเป็นผู้สั่งใจเป็นผู้คิดใจคิดจะทำชั่วกายมันก็ทำชั่วแต่ใจคิดจะทำดีกายมันก็ทำดีใจคิดจะพูดชั่วปากมันก็พูดชั่วแต่ใจคิดจะพูดดีปากมันก็พูดดี ไม่เป็นอนุว่าการฟังธรรม <c oughs> การฟังธรรมนี่นหมายหมายถึงว่าการฟังเทศดูฟังที่คนเขามีความประพฤติดีแล้วพูดถูกต้องมีประโยชน์ทั้งเราและเขาไม่เบียดเบียนเสื่งกันเลยกันไม่ให้คิดประทุ้ร้ายเสื่งกันเลยกันให้มีการเกือ้อกูลซึ่งกันเลยกันต่างคนต่างสงเคราะห์กันต่างคนต่างประพฤติดีประพฤติชอบกหากัน ต่างคนต่างอ่อนน้องก็หากันเขาพูดแบบนี้เราฟังแล้วพูดแบบนี้พูดโดยธรรมพูดยังไงบ้างก็ต้องตอบว่าเหมือนกับที่พูดมาแล้วทั้งหมดนั่นแหละพูดโดยธรรมและอาจจะมีอะไรยิ่งไปกว่านี้ก็ได้เป็นเรื่องของการของสมัยถ้าคนทุกคนปฏิบัติตนอย่างนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าโลกเป็นสุขรละโลกเป็นทุกข์ แล้วก็จะเห็นว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกได้ยังหรือว่าพระพุทธศาสนาเกกะโลกนี่ข้อต่อไปแกล่าวว่าถ้ามีความอดทนแล้วก็เป็นคนว่าง่ายมีความเห็นสมณะทั้งหลายไม่ความว่าอะไรสมณะนันจ่าทัศนา แล้วก็เห็นบุคคลผู้มีความสงบจากความชั่วให้คำว่ามสมณะในจากความชั่วท่านแปลว่าเลื่อยเฉยแบบมีวาจาจะพูดจาโดยธรรมทั้งหมดนี้เป็นเรื่องดีและเรื่องชั่วมาว่ากันทีละข้อเออหนึ่งมีความอดทนต่อความยากลาบาก ที่เราจะทำความดีทุกอย่างในการงานที่จะพึงประโยชน์แก่ตนก็ดีเป็นประโยชน์แก่ตนก็ดีในจริยาที่ต้องพึงประพฤติปฏิบัติให้ไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่ตนก็ดีไม่เบียดเบียงใครแต่ความสุขมาถึงเราการปฏิบัติแบบนั้นมันก็ต้องต่อสู้ต่ออุปสรรคคือความยากความลำบาก หรือว่านักเรียนนักศึกษาตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาไม่ไปกระโดกกระเดกกระโดกกระเดกไปเดินขบวนที่น่นชมนุมที่นี่สเตรทที่นั่นนี่ครูเขาไม่ได้สอนหรือว่าครูคนใดเขาสอนก็ไม่ทราบทําความอดทนในด้านความดีคือเราจะทําทความดีทุกอย่างมันต้องมีอุปสรรคอดทนต่อสู้จนกว่าสิ่งเรานั่นจะเกิดผลแก่ตนนี่อย่างหนึง่ง คนเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายหมายความว่าเขาแนะนำใได้ความดีเรารับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามนี้การเห็นคนที่มีความดีมีความชั่วหมดไปมีแต่ความดีดีทุกอย่างจิตบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ วาจาที่กล่าวมาก็เป็นสมุมทรมิยะกัญถาคือเป็นวาจาที่ชอบใจเป็นที่น่ารักอาการกายที่สแสดงออกมาก็น่ารักชื่นออกชื่นใจน้ําใจที่สแสดงออกก็เต็มไ ป, ไ ด, มไมปด้วยความเมตตากรานีที่แปลว่าต่างคนต่างเป็นอย่างนี้เหมือนกันทั้งหมดในโลกต่างคนต่างไม่มีความชั่วมีแต่ความดี เอาความดีเข้าประสานกันอย่างนี้โลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข์ในข้อต่อไปท่านบอกว่าเจนจาโดยธรรมเจนจาธรรมโดยการก็หมายความว่าเราจะพูดเราจะจาอะไรก็ตามเราจะไม่กล่าวแต่วาจาที่เป็นโทษสั่งสนทนากันแต่ในวาจาที่เป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์ในความชื่นใจเป็นประโยชน์ในการธรรมะหากินเป็นประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันเขาเรียกว่าจเจนจาธรรมโดยการถึงการถึงเวลาบางครั้งบางคราวแล้วก็ไปชุมนุมกันว่าที่พวกเรามีความทุกข์อยู่อย่างนี้มีอะไรเป็นเหตุแล้วเราจะกําจัดเหตุขึ้ความทุกนั้นได้ประการใดช่วยกันแก้ไขช่วยกันคิด อย่างนี้แท้ถือว่าโลกเป็นสุขแล้วว่าโลกเป็นทุกข์แต่คนทุกคนทำได้หมดในข้อต่อไปแท้กล่าวว่าจงทำลายกิเลสให้สิ้นไปหนึ่งจงประพิอย่างครมหนึ่งเห็นอริยสัจทั้งหลายหนึ่งทำพระนิพพานให้แจงหนึ่งแย่ไหม การมีความเพียนเป็นเพื่องเผากินเละไอ้ความกินเละก็คืออารมณ์จิตที่มันเศร้าหมองมันหมองหมัวอารมณ์จิตชั่วอารมณ์จิตคิดว่าอยากจะรักจะขโมยเขาอารมณ์จิตที่คิดอยากจะวิค่าเค่งค่าเขาอารมณ์จิตที่หลงไหลไฝฝันเกินพอนดีว่าสิ่งที่ถ้ามันจะสลายตัวเราคิดว่ามันจะไม่สลายตัว เมื่ออารมณ์อย่างนี้เราพยายามคิดพยายาให้มันมีในจิตของเราเมื่ อ, าอการรักการขโมยยื้อแยทรัพย์สมบัตรของคนอื่นเราก็ไม่ชอบเมื่อเราไม่ชอบชาวบ้านที่ไหนเขาจะชอบเราไปทําเข้ามันก็เกิดศัตรูเมื่ออารมณ์ที่อยากจะมีค่าเค่งค่าทําร้ายบุคคลอื่นเราถ้าเราคิดกับเราเราชอบไหมล่ะนี่ว่ากันได้อารมณ์โดยตรง ยังไม่ทําได้บ้าเป็นอารมณ์คิดตัดอารมณ์คิดตัวนี้เสียแทนที่เราจะคิดลักคิดขโมยเขาเราก็คิดเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อแพ่ซึ่งกั น, ลกนแนละกันมาเป็นความสุขดีกว่าเรามีเพื่อนดีกว่ามีศัตรูการที่จะคิดทําร้ายซึ่งกันและกันแล้วก็เลิกคิดเมตตาบารมีปรารถนาในการสงเคราะห์ปรารถนาในการเกือก้อกูลสร้างความเป็นมิตรดีซึ่งกันและกัน อย่างนี้โลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์ท่านบอกว่ามีความประพฤติอย่างพรหมความว่าพรหมก็คือเป็นผู้ประเสริฐพรมมีอะไรมีความประพฤติหนึ่งรักซึ่งกันและกันเมตตาไม่ตั้งหน้าตั้งตาเป็นศัตรูกันสองกรุณาสงสารช่วยเหลือกันให้เป็นสุข สามไม่ชาได้สยาเสี่ยกันอกันใครดีพอยินดีด้วยสี่อุเบคาวางเฉยถ้าความแก่มันเข้ามาถึงรู้ตัวว่าแก่ไม่ดิ่นรน่นความตายจะเข้ามาถึงก็ไม่หนักใจเพราะรู้อยู่แล้วว่าเกิดมามันจะต้องตายเป็นอัลลอฮฺพรมถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ไม่ต้องไปเป็นพระพมเหาะหคืบๆบริอนกัน ถ้ารมณอย่างนี้มีดีกันทุกคนต่างคนต่างมีความรักต่างคนต่างมีความสงสารต่างคนต่างไม่อิสยาสิ่งกันนี้ช้าอิสยาสิ่งกันละกันโลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข์แมข้อต่อไปท่านบวหินอริยสัจอีกเขามีปวดหัวฟังเป็นภาษาบ า, าลีเขาหน่อยปวดหัวแล้ว อริยสัจนี่ไม่ไหวแล้วพวกคุณเอยเป็นเรื่องของพระสหันนี่เขาจะทำกันแต่เปล่านี่เราพูดถึงอริยสัจของชาวบ้านอริยสัจจะหมายความว่าความจริงที่เป็นปัจจัยให้เกิดความบริสุทธิ์ถ้าแปลซะแบบนี้มันก็สบาย ไม่ใช่ว่าอริยสัจความจริงที่ทำตนบอกคนน่ะเป็นพระอริยเจา้านอนต้องไปพูดกับพระเอากันอย่างสมบสมบายพระเนี่ยไปพูดกับแกเข้าที่แกก็ไม่รู้เหมือนกันพระแกบวชเข้ามาจะบอกก็มีศินสองร้อยี่สิบเจ็ดบางองค์ไปดูสินห้าไม่มีก็มีเนิว่ากันบางองค์นะไม่มีแม้แต่สินห้าแต่สินสองร้อยี่สิบเจ็ดก็มีแล้วไม่มีก็ไมรู้ นี่ดีพูดนี่ไม่ชนินทากันมันเป็นความจริงนี่เราเห็นอริยสัจเราเห็นยังไงสัจจะความจริงที่เข้าถึงความบริสุทธิ์ก็นั่งนึกดูที่อะไรเนอที่ทําให้เราเป็นผู้บริสุทธิ์โลกนี้เขาต้องการคนเช่นไรหนึ่ง โลกนี้ทั้งโลกไม่ต้องการคนใจร้ายที่ว่าทั้งโลกก็บพ่ออะไรไปถามเองไปถามคนทั้งโลกว่าต้องการคนใจร้ายไหมเจอะหน้าชกเจอะหน้ายิงเจอะหน้าฟันเจอะหน้าแทงเจอะหน้าเตะเตะซอกเขาไม่ยังเจอะหน้ากันเขาอย่างนี้เขาทําอย่างนั้นชาวโลกต้องการไหม ถ้าถามด้วยความใจจริงแต่คนนั้นเขาไม่บาปเขาก็ตอบว่าไม่เอาแล้วอีลูปเน้ไม่เอาต้องการอย่างเดียวคนที่รักฉันจ้ะนี่เนเมื่อเรามีอริยสัจพือรารักษาความจริงที่เป็นปัจจัยของความสุขต่างคนต่างก็ไม่โหดร้ายข้าประหุทธเจ้าซึ่งกันและกัน อันหนึ่งอริยสัจที่เป็นทําให้โลกมีความสุขก็ต้องเราต้องการรักษาทรัพย์สินของเราโดยไม่ต้องการให้ใครมายืดแย่งมันละขโมยมามาคดมาโกงเราเห็นประโยชน์ในส่วนนี้ทุกคนต่างเห็นต่างประโยชน์ในส่วนนี้ก็ต่างคนต่างยอมรักษาสิทธิสิ่ง ก, กันเลยกันไม่ด้านทรัพย์สินต่างๆไม่คดไม่โกงไม่ยือ้อไม่แย่งใคร ไม่ใช่มาออกอากาศออกโทรทัศน์ไหวฉั้นไม่โกงฉันไม่โกงฉันงฉ้นบริสุทธิ์พูดฟองแต่ที่ไหนได้เหลิอแพลบเดียวรวยกันเป็นร้อยล้านพันล้านความจริงนั่นก็ไม่ได้โกงจะได้มาโดยการไม่บริสุทธิ์นี่เป็นข่าวเล่าลือมาหลายสิบปีแล้วคนนั้นตายไปหมดแล้วตายหมดเคยดินข่าวแหมเวลาจะเข้ามาบริหารประเทศ ร้องห่มร้องไห้สงสารประเทศว่าประเทศมีแต่คนคดคนโกงฉันทำและจะทำในความบริสุทธิ์แต่ว่าทำเข้าจริงๆนล้ไม่กี่วันนะบ้านไม้กลา ย, ปา เ, ลลายเป็นบ้านตึกตึกเล็กกลายเป็นตึกใหญ่ร่ำรวยเงินเป็นร้อยล้านพันล้านอย่างนี้ไม่ใช่เห็นอริยสัจแล้ว ถ้าสัตว์ตัวหลังก็ต้องเป็นสัตว์วะอริยสัตว์วะหมาความบริสุทธิ์อย่างสัตย์จริชานไม่เป็นเรื่องแบบนี้ไม่เป็นเรื่องไม่ใช่อริยสัต์การเห็นอริยสัต์ในที่นี้ก็ต้องเห็นว่าการยืย้อแย่งเสิ่งกันละกันนะมันไม่ดีถ้าเราถูกเข้าบังแบบนี้นี่เราไม่ชอบต่างคนต่างก็ไม่ทํากัน อย่างนี้เชื่อไปเห็นอริยสัจยอมรับนับถือในสิทธิทรัพย์สินเช่งกันเลยกันไม่คดไม่โกงไม่ลักว่าขโมยกันอริยสัจที่สามสำหรับชาวบ้านเราก็รู้จักความจริงที่ทําให้เราเป็นผู้บริสุทธิ์คือเมื่ อ, อยื่อแย่งความรักของบุคคลอื่นนี่ก็ฟังกันมาแล้วแมอริยสัจข้อที่สี่ของชาวบ้าน เป็นความจริงที่เราต้องการกันถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก็คือหนึ่งต่างคนต่างไม่พูดโกหกโมเท็จพูดแต่ความจริงสองต่างคนต่างไม่พูดคําหยาบพูดแต่วาจาไพเราะสนอโสดเป็นที่รักเป็นทลื่นหูพูดแล้วผู้พูดก็สบายใจผู้ฟังก็สบายใจสวาจาที่พูดไป เราก็ไม่ต้องการเขาก็ไม่ต้องการทั้งหมดในต่างคนต่างไม่ต้องการนั่นก็คือวาจาที่สร้างความแตกเราสิ่งกันแลกันสี่วาจาเป็นที่สเทือนใจชาว บ, บ้านทั้งเราและเขาต่างคนต่างไม่ชอดใจวาจาสี่รายการนี้เราไม่ชอดใจเขาก็ไม่ชดใจคนนั้งโลกก็ไม่ชอบใจเราก็ารักษาสัจจะนี้ไว้ให้เป็นอริยะคือใช้วาจาให้บริสุทธ พูดแต่ความจริงโูดแต่วาจาที่อ่อนหวานโูดแต่วาจาที่เกิดประโยชน์ในความสามัคคีพูดแต่วาจาดีที่ไม่เสถียรใจอย่างนี้โรคจะเป็นสุขและเป็นทุกข์และอริยสัยข้อสุดท้ายก็คืออย่าทำจิตใจขาดสติสัมปชัญญะด้วยการดื่มสุราได้ไหมไร พ่าทีพูดมาแล้วในการดื่มสุราและเมรัยไม่กลัวใครทั้งหมดแม้แต่คุกตารางก็ยังไม่กลัวดีไม่ดีก็จําใครไม่ได้หมดพ่อแม่เราคิดว่าเป็นลูกฟุตบอลไปก็มีบางทีพัญญาบดเป็นที่รักบดเป็นที่รักก็ดื่มสุราเมรัยเราเห็นพัญญาเราบดเป็นฟุตบอลไปสะักะเยอะแต่ดีไม่ดีฟุตบอลเกิดมีหนำาำก็เคยดีข่าวไปซ้อมเธอเข้า บ่อยๆแต่ก็ปืนนวดไปเสียตายหลายรายไปแล้วมีเพราะการดื่มสุราเมรัยเป็นปัจจัยแลัมมัยได้ขั้นสุดท้ายได้กล่าวว่าจงทำพระนิพพานให้แจงไม่แจวจะไปนิพพานก็ไม่ละนิพพานตัวนี้ที่เราพูดกันนี่พูดกับชาวโลก ชาวโลกไปนิพพานก็นได้ก็นิพพานของชาวโลกมันจะไปยากลำบากอะไรรู้จักนิพพานของชาวโลกไหมไปเที่ยวนิพพา น, นสักทีดีไหมคนฟังยาพึ่งปิดสถายาพึ่งปิดเครื่องรับทะละโอโหมีเกรียมจะปิดวิทยุกันอยู่แล้วทีเนี้ย พอจะชวนไปนี่พยยัยจะปิดวิทยุบอกไปยังไงตะไปโทรโลูกยังเล็กอยู่นี่เมียยังไม่มีอะไรอยกินผัวยังมีความลําบากพอไอเ จ, เจ้านี่เจ้าสิลป์ก็ยังทวงโอ้ยมันยากลําบากเหเกินเมียไปนี่พัยก็จะยังไงไปไม่ไหวแล้วบอกคุณแม่คุณเนยดีไม่ดีก็จะตะโกนร้องออกมาบอกนี่ตาตาคนดีพูดเนี่ยแกพูดอะไรหลับหูหลับตาพูดได้อ ย, อยังไง จะมาชวนชาว บ, บ้านไปนิพพานจะไปไหมไหมก็ต้องตอบว่าไหวสิเราไปนิพพานกันนี่มาพูดถึงนิพพานเขาจะ บ, บ้านนะมันจะนิพพานของชววัดนะนี่นิพพานก็มีหลายอย่างจะเอาไอ้คนอยู่บ้านจะให้ไปพูดอย่างคนอยู่วัดให้ปฏิบัติอย่างคนอยู่วัด คนอยู่วัดให้ปฏิบัติยังคนอยู่บ้านมันก็ขวางโลกหรือที่ภาสิตโบราณท่านบอกว่าศึกอยากสวดบทอยากร้องวเวลาศึกอยากความเป็นพระหระผีตายที่ไหนไม่ได้ได้ชอบไปสวดที่นั่นสวดแล้วก็ไม่มีอะไรเขาไม่ได้จ้างสวดแต่ก็ไม่แน่นะ่ะบางทีไปสวดแล้วก็ได้กินเหล้าเมายามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลย พระที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาดันอยากจะร้องเพลงเามาสเมื่อร้องเพลงแนละ้วใครเขาจ้างอร้องนะพระเนะี่ยไม่มีใครเขาจ้างไปร้องเพลงมันก็ไม่ถูกนี่วันนี้เราพูดกับชาวโลกก็วชวนชาวโลกก็นิพันธ์ไปไหมไปแล้วไม่ไปฟังเรื่องราวของนิพันธ์ชาวโลกกันก่อนนิพันธ์แปลว่า ด, ดับ เรือว่าดับอารมณ์ของความชั่วความชั่วระดับไหนว่าความชั่วระดับชาวโลกอะไรบ้างที่มันเป็นความชั่วที่ระวางกดกันไว้ตามอำนาจของกฎหมายตามอำนาจของกฎข้อบังคับตามประเพณีนิยม ประเพณนี้นิยมบอกว่าสิ่งนี้เป็นความชั่วพวกเราจะทากันประเพณนี้นิยมนี้ย่อมไม่เหมือนกันแต่ละเขตอย่างนี้เป็นความชั่วพวกเราจงอย่าทําถ้าทําแล้วมันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์จะต้องแตกรล่ากันเราก็ไม่ทํามันเสียสิีกฎข้อบังคับของหมู่คณะใด วางไว้ว่าอย่างไหนมันเป็นความชั่วจงอย่าทําเราก็ไม่ทาประเทศใดวางกฎหมายไว้อย่างไรให้ยอมรับนับถือซึ่งกันอะไรกันตามกฎหมายเราก็ปฏิบัติตามนั้นกฎหมายของโลกวางไว้ยังไงเราปฏิบัติตามกฎหมายของโลกอย่างนี้เรียกวันดับคือนิพนธ ดับความฝ่าฝืนกฎข้อบังคับและประเพณีอย่าลืมนะนิพพานนี่นครับแปล ว, ว่าดับนิพพานไม่ได้แปล ว, ว่าศูนย์ดับอะไรดับอา ร, รงณ์ของความชั่วเพื่ว่าการดับในที่นี้หมายถึงว่าจิตเราไม่ยอมคิดจะฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศกฎข้อบังคับของหมู่คณนะ ประเพณีของท้องถิ่นและก็กฎหมายของโลกมีต่างคนต่างดับความอารมณ์ชั่วยอย่างนี้ทั้งหมดทุกคนยอมรับนับถือกฎหมายของประเทศกฎข้อบังคับข้อหมู่คณะประเพณีของเขตกฎหมายของโลกอยากจะถามว่าโลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความถก เราก็ต้องตอบกันได้ว่าโลกนี้จะต้องเต็มไปด้วยความสุขโลกนี้ไม่ได้เต็มไปด้วยความทุกข์เป็นอันว่าเรื่องราวที่พระพุทธศาสนาช่วยโลกพูดมายาวบ้างสั้นบ้างก็เห็นว่าจะต้องจบกันเพียงแค่นี้อย่าลืมว่าที่นามาพูดนี้พระพุทธศาสนาช่วยโลกนี่มันหนึ่งในแปดหมืนสี่พันเรื่องเท่านั้นนะ และเลี้ยงเหลืออีกแปดหมื่นสามพันเก้าร้ยเกางเก้า <c> เ <oughs> ียงในก้าเก้าผูข้อที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำเพื่อให้โลกเป็นสุขอรันันดาท่านผู้รับฟังท่านรับฟังไปแล้วทั้งหมดจึงไปกำหนดตั้งใจคิดว่าองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรีสอนไว้ที่เรียกกันว่าพระพุทธศาสนา ถ้าคนทุกคนทําได้จะมีความสุขหรือจะมีความทุกข์โลกนี้จะเต็มไปด้วยความสุขและโลกนี้จะเต็มไปด้วยความทุกข์ด้วยความเดือดร้อนสําหรับวันนี้ก็อขอลาก่อนแล้วก็ขอลาในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาช่วยโลกและกระชิด้วยพอมาจบแล้วขอท่านผู้รับฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผล และจงเจริญไปด้วยจาตุรพิภรพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันละสุขะภาละละปฏิพานหากทุกท่านมีความประสงค์เสียงใดก็ค่อยได้เสียงนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี